วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาปีส5งพันห้าร้อยห้าสิบแปดพวกเราส่วนหนึ่งก็จำพรรษาที่อาสมวิทยธรรมป่าช่องอีกส่วนหนึ่งก็จำพรรษาที่วัดป่าสุปโตเนาะจังหวัดชียฟงฟนะูจะอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะนะนะ ที่เป็นวัดวารามเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะหรือว่าอยู่ในป่าเขานะีเราก็ได้อธิษฐานนะอธิษฐานจิตที่จะอยู่ในพรรษาสามเดือนนะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้อยู่ครบนะสามเดือนที่เราได้อธิษฐานนะมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะอยู่ได้ครบนะบางคนนะ ตั้งใจอธิษฐานจะอยู่ทั้งพรรษาแต่ก็ถ้าเหลืองร้อนนะอยู่ไม่ได้ก็ลาศิขานในการพรรษาก็มนะีอาจจะโวยเหตุหลายๆอย่างนะแต่พวกเราอยู่ได้ถึงวันนี้ก็แสดงว่าเราเป็นผู้ที่นะมีความอดทนอดกั้นเนาะมี ความเพียรความพยายามนะมีความตั้งใจนะส่วนทังเราสามารถทําสําเร็จได้นะหลายท่านก็เป็นพรรษาแรกนะหลายท่านก็หลายรรษาแล้วนะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เป็นความชื่นใจนะอย่างน้อยนะเราก็ได้บวชนะอย่างน้อยก็ภรรษาหนึ่งนะ หรือหลายท่านก็มากกว่านั้นพอการบวชเนี่ยบางทีสมัยนี้เนาะบวชห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยบางทีเรียกว่ายังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะผมผ้าก็ยังไม่คล่องนะให้พรก็ยังไม่ได้เลยนะก็ลาสิกขาละนะกลายเป็นการกลายเป็นเพียงแค่การบวชเป็นเพียงแค่พิธีนะ เป็นพิธีว่าเราได้เคยบวชแล้วนะบางทียุคสมัยเนะี้มันทำอะไรเรียกว่าพอเป็นพิธีเนี่ยเยอะมากนะทำแบบสักแต่ว่าทำนะแต่ไม่ใช่สักแต่ว่าทำที่ว่าแบบไม่ยึดติดนะแต่มันสักแต่ว่าทําแบบยึดติดนี่นแหละนะยึดติดว่าต้องทำก็เลยต้องทำนะแต่ทำแล้วไม่รู้ ไม่รู้สาระไม่รู้แก่นสารว่าการกระทานั้นๆั้นมันทำไปเพื่ออะไรแบบนี้เนาะอย่างการบวชเนาะการบวชก็คือการละความชั่วการทำความดีการประคิจิตให้เข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงเนี่ยอันนี้คือสาระของการบวชนะบวชเพื่อละบวชเพื่อเลิกนะสิ่งที่ เคยหลงเคยยึดนะนี่คือสาระของของการบวชนะแต่ถ้าบวชแค่พอเป็นพิธีนะมันก็เหมือนอยู่ๆไปให้มันครบกำหนดนะที่ที่ได้วางไว้นะแต่ถ้าเราบวชเพื่อละบวชเพื่อรบบดอรบวดเพื่อเิกนะสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจหรือว่าบวชเพื่อให้นะ ให้เราได้ประพฤติทำเพื่อให้เข้าใจความจริงนะอันนี้แหละเมื่อเราขณะที่บวชอยู่ก็ดีหรือว่าขณะที่เราลาศิกขาไปก็ดีเนะี่ยมันก็จะทำให้ช่วงเวลาที่เราได้อยู่หรือว่าช่วงเวลาที่เราได้ออกไปเนะี่ยเราก็จะเปลี่ยนค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงจากที่เคยหลงนะก็หลงน้อยลง นะหลงสั้นลงจนทั้งความหลงบางอย่างมันก็หมดไปนะความยึดติดถือมั่นบางอย่างที่เคยยึดติดถือมั่นมากๆนะก็หมดไปเนชะ่นคนเคยสูบบุหรีนะ่ะก็เลิกบุหรี่ได้นะคนที่เคยขี้เกียจขี้ค้านมากๆนะก็มีความขยันมันเพียนมากขึ้นนะ คนที่เห็นแก่กินนะก็กินง่ายอยู่ง่ายมากขึ้นเอวเนี่ยมันก็คือมันก็ค่อยพัฒนาหรือว่าการที่แต่ก่อนไม่เคยรู้จักตัวเองนะไม่เคยเท่าทันกิเลสในจิตเลยเนี่ยกิเลสมันแสดงอาการอย่างไรเราก็ทาตามมันอย่างนั้นเนี่ยนี่คือการไม่รู้เท่าทันเนาะ คือการที่เข้าไปเป็นแต่ถ้าเราได้เห็นเห็นกิเลสเห็นความโลภความโกรธความหลงแสดงในใจสติมันเท่าทันเนี่ยมันก็ออมันก็ละได้เปลี่ยนได้อันนี้ก็ยิ่งเป็นคุณค่าที่แม้เราจะบวชอยู่ต่อหรือว่าเราจะลาศิกขาไปหรือว่าบางท่านไม่ได้บวชแต่ก็ ได้มากระพฤติทำเนี่ยถ้าเราได้เห็นตรงนี้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้ mm hmm. ก็ถือว่าเราได้บวชทางใจอยู่นะการบวชโดยภายนอกนะโดยสมมตินะเป็นพระเป็นชีเป็นสามเณรมันก็เป็นเพียงแค่สมมติทางโลกนะสมมุติภายนอกแต่การบวชจริงๆคือการบวชที่ใจนะออบวชที่ใจให้เป็นพระนะ ใให้เข้าถึงความตื่นรู้เบิกบานเนี่ยแหละคือสิ่งที่ที่มีค่าที่สุดเนาะถ้าเรานะตั้งใจทำเช่นนี้นะหรือว่าเราเข้าถึงนะความจริงตอนนี้นะจะมากจะน้อยขนาดไหนเนะี่ยอันนั้นแหละคือบุญกุศลที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆของเรานะถ้าเราประพฤติบแบบนี้ได้เนะี่ยก็คือว่าเราได้ใช้ วันเวลาแต่ละวันแต่ละขณะได้ได้คุ้มค่าแล้วนะเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญมากมนะเราก็อย่างน้อยนะในพรษตนี้เราก็ได้ตั้งใจทำจนทั้งพบพรรษานะในวันนี้เนาะวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่เหมือนบางคนรู้สึกว่าถึงเส้นชัยนะถึงเส้นชัยนะนะหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเหมือน ถ้าเป็นนักเรียนนะเหมือนเรียนแล้วก็สอบวันสุดท้ายละเสร็นะ <c oughs> จได้ปิดภาคเรียนสัทีนะจะเที่ยวไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวกนะหรือบางคนตั้งใจจะอยู่พียแค่รัญญาเดียวก็อาจจะนับวันรอเพื่อออกปัรษาจะได้ดาสิกขามันก็แล้วแต่แต่ละคนจะคิดนะ <c oughs> แต่ที่จริงความจริงแท้นะ เราจะอยู่ในพรราก็ดีหรืออยู่นอกพรราก็ดีนะเราก็ต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องทําตัวเป็นคนดีเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องละความชั่วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเราอย่กขาดสติเพราะถ้าเมื่อไรที่เราทําชั่วหรือขาดสตินี่คนที่ทุกข์ก็คือตัวเราเองนั่นแหละนคนที่เสียก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะ เราจะอยู่ในวัดหรืออยู่ข้างนอกนะคนที่ทุกคนที่เสียก็คือตัวเราเองนะอาจจะรวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนนอกข้างหรือคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เสียหายแต่ในทางที่กลับกันในทางที่กลับกันถ้าเราทาดีถ้าเราละความชั่วถ้าเรานะ พะพืชดีงานเนี่ยตัวเราเองก็ย่อมมีความสุขคนรอบข้างเราก็มีความสุขเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือไม่ว่าเราจะกลับไปเป็นฆราวาะตัวเราเองเราก็มีความสุขคนรอบข้างเราก็มีความสุขเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศนะหรือขึ้นอยู่กับเวลานะแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทมของเรานั้นๆนั่นแหละนั้น ศาสนาพุทธท่านก็สอนให้เราเชื่อนะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะทำดีย่อมได้ดีนะทำชั่วย่อมได้ชั่วนะแต่จริงทำดีแล้วมันดีดีในตัวของมันเองนะเพราะอะไรทำดีแล้วมันมีความสุขนะทำไม่ดีมันก็มีความทุกข์นะโดยเฉพาะถ้าเราทำดีแบบไม่หวังผลดีเนี่ยมันยิ่งเป็นความสุขที่ ที่สุขแบบไม่เจือได้กิเลสเนาะบางคนทําบุญบางคนทําดีแต่หวังหวังคําชมหวังราสกสกสาระหวังน่ะสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันดีแบบแบบเครือบแสงนะน่ะมันเครือบแสงไปด้วยนะความพอใจหรือว่าความอยากบางอย่างเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่มันดีแบบไม่ <c oughs> ไม่ค่อย ครบถ้วนเท่าไรหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านเปรียบเทียบว่าบางทีถ้าทำบุญแล้วไม่แ ล, แล้วหวังผลเนะี่ยคล้ายเหมือนเราเอาน้ำหอมมาอาบนะขึ้นชื่อว่าสดน้ำหอมมาอาบมันก็อาจจะชำระนะชำระสิ่งสกปรปกออกไปได้ส่วนหนึ่งนะแต่มันก็ยังเจือมันก็ติดด้วยด้วยของหอมนะร่างกายมันก็ไม่ใช่สะอาดแบบ ธรรมดาธรรมดาเนาะคล้ายๆอาจจะเหมือนเราอาบน้ำนะเราฟอกสบู่นะแต่เราไม่ได้ล้างสบู่ออกนั่นแหละนะอย่างน้อยขี้ดินขี้ใครมันก็ออกเลยนะแต่คราบสบู่เนะคราบของหอมเนี่ยมันยังติดนติดตัวอยู่นะนั่นแหละบางทีถ้าเราทําบุญทําดีแล้วก็เรายังติดมันก็เหมือนมันก็ทําให้มัน มันไม่สะอาดจริงๆนะแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยก็วางมันไปนะไม่ต้องไปคิดหวังไม่ต้องคิดคำชมไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะทำแล้วก็วางแต่ถ้าเผลอไปคิดค่ะก็รู้ทันนะแต่ถ้ามันสุขใจอ่ะเราก็รู้ทันรู้ว่ามันสุขใจนะแต่อย่าไปติดใจนะสุขใจเนี่ยสุขได้นะแต่ไปติดใจเนี่ยนี่คือความหลงความยึดนะักนะ ความคิดนะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจิตมันจะคิดดีอย่างเดียวนะมันก็คิดได้นะแต่คิดแล้วอย่าไปติดได้ไหมคิดได้อย่าไปยึดมันได้ไหมนะคิดแล้วอย่าไปปรุงแต่งต่อกับมาได้ไหมนะคิดก็สักแต่ว่าคิดนะสุขก็สักแต่ว่าสุขนะทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นะถ้าเราเป็นผู้เห็นมันเนี่ยเออมันมันก็จะเห็นว่าทุกอาการนะเหมือนกันเลยนะ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเนี่ยคือมันเป็นเพียงแค่อาการเฉยๆเป็นเพียงแค่อาการแต่อย่างน้อยนะนะมันก็เห็นนะอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็เห็นเราไม่ห้ามมันเนาะการภาวนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ห้ามว่าจะต้องแบบไม่คิดจะต้องไม่สุขไม่ทุกข์ จะต้องเฉยเฉยเลยนะที่จริงทุกอย่างปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละนะไม่ว่าความคิดจะเกิดขึ้นมาก็ดีความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็ดีนะเราไม่ต้องไปข่มมันไปบังคับมันนะเพียงแค่นะเพียงแค่เห็นมันนะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปปรุงกับมันต่อก็พอ ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์นะก็อย่าไปปรุงกับมันต่ออะไรเกิดขึ้นมาก็ก็เพียงศักแต่ว่าเห็นนอกจากสิ่งที่มันเป็นความตั้งใจทำเนาะนะเป็นการงานเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องอันนั้นเรียกว่าเราก็ต้องใช้ความคิดเนะใช้ความคิดวางแผนใช้ความคิดในการจัดการไอ้แบบนั้นเราใช้ความคิดเนะ แต่ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยความคิดมันใช้เรานะมันอยู่แค่นั้นนะเนี่ยความคิดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันหรือให้มันใช้เราเนะี่ยเหมือนกับมีดนะมันมีคมนะถ้าเราเป็นคนใช้มีดนะเราก็จะใช้มีดเนะี่ยเช่นใช้มีดทั่นผักเนะหั่นไปประกอบอาหารนะเราก็ได้อาหารมารับประทานนะแต่ถ้าเรา ไม่เห็นมีดเราไปเผอจับมีดก็ถูกมีดบาดนะก็เป็นแผลนะมันก็ทุกอย่างมันก็เป็นของสองด้านนะปัจจัยเงินทองข้าวของต่างๆก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติเรารู้ทันเราก็จะใช้มันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ใช้เรานะนะตานี่ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็ใช้ตา ในการเห็นในการทํางานแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยตามันใช้เรานะใช้ให้ไปดูหนังใช้ให้ไปต้อไปหาของสวยๆงามๆนะมาดูต้องไปแสวงหาสถานที่ต่างๆนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะหูก็เหมือนกันถ้าเราใช้มันเนี่ยเออใช้ฟังธรรมะให้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์นะ แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยก็จะฟังสิ่งที่ลงไหลอันนี้ชมอ่าชอบอดนนี้เพราะชอบอันนี้ด่าอันนี้น่าลาคาญนนะไม่ชอบนะมันก็จะเกิดความชอบเกิดก็ไม่ชอบนะไอ้คนเนี้ยอาญาณต่างต่างเนี่ยถ้าเราใช้มันนะใช้มันเราก็จะรู้เหมือนคล้ายๆเหมือนเราใช้ไฟอ่ะตอนใช้ก็เปิดตอนเลิกใช้ก็ปิดนะ ความคิดอารมณ์ต่างต่างก็เหมือนกันนะถ้าเราใช้มันเนี่ยเหมือนเราใช้ไฟเนะี่ยคนจะใช้ก็เปิดเนะี่ยตอนเลิกใช้ก็ปิดเนะี่ยเหมือนปากของเรานั่นแหละนะเอถ้าคนที่มีสติก็จะรู้จักย้งคำพูดเนะี่ยคพูดไหนควรพูดก็พูดคาพูดไหนไม่ควรพูดก็ย้งไว้เนะี่นี่คือเราปากก็อยู่กับตัวเราเองนะเราก็ ถ้าเราเป็นคนใช้ปากเราก็ใช้คําพูดนะเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์แต่ถ้าเราไม่รู้ทันปากเราก็ปากก็เป็นธาตุของความคิดของอารมณ์นะพวกก็พูดคดาด่าก็พูดเพื่อเจอก็พูดนินทาก็พูดว่าร้ายคนอื่นนยะอันนี้คือถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะใช้เราแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยเราเป็นคนใช้มันนะเนะี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติที่ ที่รู้จัดใชนะ้ถ้าเรามีสติเราจะรู้จัดใช้สิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกสิ่งภายในนะถ้าใช้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็มีประโยชน์มากทั้งตัวเราเองแล้วก็ประโยชน์กับคนอื่นมากด้วยนะแต่ถ้าเราใช้ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเราเองทำร้ายคนอื่นด้วยเนะีนะ่ยเนาะเครื่องมือที่เรามีที่เราใช้เนี่ยคืออะไรสามอย่างนะกาย วาจาใจนี่แหละนะเป็นเครื่องมือที่เราเอาไปใช้นะกายวาจาใจเนี่ยมันอยู่กับตัวกับเราเลยนะนะเราก็เอากายวาจาเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับวัตถุภายนอกด้วย่นะก็ได้ใช่ไหมนะให้รู้จักใช้นะรู้จักใช้กายวาจาใจไอ้พวกเนี้ยมันเป็นความจริงแท้เนาะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวาสนะ มีกายวาจจใจเหมือนกันนะ่ะนุ่มห่มแตกต่างกันเฉยเฉยแต่ก็มีกายวาจจใจเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับชีวิตเนี้ยเราจะไปใช้อย่างไรเนาะนะ่ะวันนี้แม้เป็นวันออกพรรษานะ่ะหลังจากวันนี้ไปแล้วท่านจะเดินทางไปที่ไหนนะ่ะก็สามารถไปได้นะขออนุญาตกันหรือบอกกล่าวกันนะก็ไปได้นะไม่เป็นไรนะแต่ยังน้อย เราไปแล้วนะเราไปดีนะหรือเรากลับไปสู่ทางที่ไม่ดีนะนะให้เราดูตรงนี้เนาะนะถ้าเราขึ้นชื่อว่าได้บวชแล้วเนี่ยนะเราต้องสมควรว่าให้ไปดีนะเหมือนที่เรียกว่าสุขโตนะนะเป็นว่าเป็นผู้ที่ไปดีนะไปดีแล้วนะไปจากอะไรไปจากความหลงนะ ไปจากกิเลสตัณห า, ต, าต่างๆเนี่ยชื่อว่าไปดีนะหรือถ้าโดยสมมุติเราจังอยู่ต่อในการบวชหรือในการปฏิบัติธรรมนะก็ชื่อว่าเราอยู่ดีก็ได้นะจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ดีนะอยู่ดีคืออยู่อยู่ด้วยการทำดนะีอยู่ด้วยความรู้ตัวนะมีความสงบมีความสุขที่แท้จริงนะ สุขโดยที่ไม่หวังผลต่างๆนะถ้าเรายิ่ง ถ, ถ้าเราได้ทดําดีนะอยู่เสมอเนี่ยโอ้มันเป็นความสุขใจนะความสุขใจเนี่ยบางทีคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าความสุขใจคือเราต้องได้อะไรนะที่จริงความสุขใจที่เกิดจากการได้เนี่ยมันเป็นความสุขแบบแบบสั้นๆเนาะนะสุขแป๊บหนึ่งเนี่ยก็เดีเดี๋ยวก็ลืมเช่นเราได้ของใหม่นะ มีคนถวายของใหม่ให้หรือว่าแต่ก่อนเราอาจจะซื้อหาสิ่งของใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรานาะเพราะตอนได้เนี่ยมันเป็นความสุขแต่เผอแป๊บเดียวเนี่ยความสุขพวกนั้นมันมันจืดไปเลยนะ ม, มันลืมไปเลยเนี่ย่คือความสุขที่เกิดจากการการได้รับสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันก็มันก็มีอยู่แต่มันเป็นของชั่วคราวเป็นของสั้นๆ แต่มันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เรียกความสุขจากการให้เนี่ยมันมันมาสุขมากกว่าแล้วก็สุขยืนยาวกว่านาะอืมอันนี้ก็ไม่ได้พูดเองเสียทีเดียวนะฝระังบางทีมันก็ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องความสุขเนะี่ยเขาก็ในมหาลัยของในอเมริกาแห่งหนึ่งนะเขาก็ทําการวิจัยเรืองนี้แหละวิจัยดูเรื่องคนที่ทํางานเรื่องจิตอาสาเนาะปรากฏว่า คนที่ทำงานใด้จิตอาสาเนี่ยเขามีความสุขนะความสุขที่เกิดจากการทำงานเพราะว่าการที่ได้ให้นะการได้เป็นอาสาช่วยเหลือคนต่างเนี่ยมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขที่มากกว่าการเป็นผู้ที่ถูกช่วยเหลือนะหรือผู้ที่รับนะผลผลการสำรวจเนี่ยผู้ที่ให้เนี่ยมีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้รับนะ อันนี้ก็เราเองก็เหมือนกันนะเราก็ที่จริงเราก็ดูตัวเองเราก็จะเห็นแหลนะที่จริงถ้าลองย้อนพิจาณาดูจริงจริงนะที่จริงเราก็รับมาชีวิตเราเนี่ยเรารับมาเยอะเนาะตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือตั้งแต่ก่อนเกิดได้ทั้งนะพ่อแม่เลี้ยงดูอ่าเรามาให้การศาึกษาให้อาหารการกินให้ที่อยู่อาศัย ให้เราเยอะแยะมากมายเนาะแต่ลองถามดูจริจริงๆบางทีเราก็ส่วนใหญ่บางทีเราก็ลืมไปนะสมมตุติท่านให้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไอ้ที่เราจําได้จริงๆอาจจะแค่หลักสิบหรือหลักหน่วยได้ซ้ํำ น, นะบางทีไอ้ที่ท่านให้เยอะๆเนี่ยไอ้ที่เรารู้สึกเราจําได้เราประทับใจจริงๆเนี่ยทําไมมันน้อยแต่เกินนะเอ่ หรือแต่เราลองดูตัวเองเวลาเราได้ให้คนอื่นเนี่ยเช่นบางคนเคยเนี่ยเคยไปออกค่ายอาสานะหรือเป็นไปทํากิจอาสาไปช่วยเหลือผู้ประสบนะภัยต่างๆหรือบางหรือพวกเราเองนะมาสร้างวัดสร้างวาน่ะทํานะทงานพัฒนาต่างๆเนี่ยบางทีพอเราคิดเมื่อไหร่เนี่ยเออเราจะจําได้แทบทุกเหตุการณ์นะที่เราไปทํานะ อ๋อเคยไปทําที่นั่นทําที่นี่นะมันมันระลึกได้มันจําได้เยอะมากนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความสุขนะความสุขนั่นแหละนะมันเป็นเหตุให้เกิดนะทําให้เกิดสมาธินะสมาธินะ่ะมันทําให้เราจําได้นะอันนี้คือมันก็เป็ น, นกลไกของจิตนะนกลไกของจิตถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเนะีนะ่ยน่ะ มันก็จะเกิดสมาธินะเกิดจิตตั้งมั่นนะมันก็จะจำได้มันก็จะระลึกไดนะ้มันก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจเราเออทำแล้วมันมีความสุขนะมันก็ทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยนะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละนะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังติดสุขนะหรือติดดีนะแต่เราทำเพราะว่ามันมีเหตุให้ทำนะหรือเราตั้งใจที่จะทำนะมันก็ เราก็ทําแต่อย่าไปติดมันนะแต่อย่างน้อยเราจะเห็นว่าเออทามาแล้วมันมีความสุขนะหรือว่ามันจําได้นานกว่านกะารเป็นผู้รับนะการเป็นผู้รับมันเป็นความสุขชั่วคราวนะหรือบางทีถ้าเรารับมากๆจนกระทั่งเสียของนะต้องแบบต้องรอแต่คนที่จะให้เรารอแต่คนช่วยเราเนะี่ยบางทีเราก็เสียเสียนิสัยนะหวังแต่จะเอาอย่างเดียวนะ มันก็เป็นความเห็นแก่ตัวนะนั้นให้พวกเราเนาะจะอยู่ที่ไหนเนะี่ยให้เราพยายามเป็นผู้ให้ให้มากที่สุดเนาะเพราะผู้ให้ความสุขนะย่อมได้รับความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะแล้วถ้าเราให้ความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆเนี่ยเรายิ่งจะสุขแบบสงบนะสุขไม่ว่าเขาจะชมไม่ว่าเขาจะไม่ชม ไม่ว่าเขาจะขอบคุณไม่ว่าเขาจะไม่ขอบคุณไม่ว่าจะมีคนอื่นเห็นหรือไม่ว่าจะไม่ไม่มีคนอื่นเห็นเราก็ยังสามารถมีความสงบนะจิตใจก็ไม่วันไหวไปกับสิ่งที่กระทบนะไม่วันไหวไปกับคําพูดนะของคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นความสุขที่แท้จริงนะ แต่ค ำ, ค, ำคำว่าไม่หวั่นไหวไม่ใช่ว่าปิดกั้นน ะ, นะเราก็รับฟังความเห็นรับฟังข้อเสนอแนะของกันและกันอยู่ใช้สติพิจารณาบางทีเจตนาดีอย่างเดียวบางทีก็ไม่ได้นะบางทีก็เจตนาดีมันก็ถูกก็แหละแต่เราก็ต้องฟังความรู้สึกของคนอื่ น, นใช่ไหมอย่างเช่นบางคนเนี่ย นะมันก็มีนะอย่างบางทีมีตัวอย่างพวกเศรษฐีบางคนนะพวกนักสังคมสงเคราะห์ อ, อะไรเนี่ยนะนะชอบแจกชอบให้นะแต่บางทีของที่แจกของที่ให้เนี่ยบางทีไม่ได้ตรงกับความต้องการของคนรับก็มีนะนะเขาก็รับไปพอเป็นพธิธีรับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะรับแล้วก็ทิ้งขว้างนะมันก็มีเหมือนกันนะ แต่ถ้าเรารู้จักฟังรู้จักพิจารณาเนาะมันก็จะได้เกิดการใช้ประโยชน์ให้มันมากขึ้นนทางการกระทำของเราเนี่ยนะนะคาว่าไม่หวั่นไหวไม่ใช่ว่าเราไม่รับฟังนะแต่รับฟังด้วยสติด้วยปัญญานะไม่หวั่นไหวนะเป็นความทุกข์นะหรือไม่หวั่นไหวเป็นความติดใจในความสุขนะี่คือคือความไม่หวั่นไหวเนาะนะ เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำดีแล้วเราก็ชื่นชมในความสุขในผลดีตรงนั้นนะแต่อย่าไปติดใจหรือบางขณะอาจจะเผลอคิดไม่ดีนะเผลอทาไม่ดีนะก็ต้องรีบแก้ใหมนะ่แก้ใหม่เลยนะไอผิดไปแล้วก็ช่างมันเอาใหม่นะตั้งใจทำดีใหม่ตั้งใจรับความชั่วใหม่นะไอที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะนะปงอาบัติให้ได้นะ เปงอาบัตินี้ไม่ต้องรอว่าถึงวันพระนะมาปงอาบัติทันทีนะแต่ปงอาบัติก็คือว่ารู้ว่าตัเองอาบัติข้อไหนทําผิดข้อไหนปงก็คือว่านะเออครั้งต่อไปจะไม่ทําซ้ําอีกแล้วนะเนะไม่ทําผาดอีกแล้วนะเนะขอขมานะขอโทษนะนะที่ทําผิดอัเ น, นี้ยนี่คือปงอาบัติจริงๆนะนะ ปงอาบัติไม่ใช่สัพตาอาปาติโยอโลเจมิอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะนะปงอาบัติคือปงที่ใจเราเนี่ยแหละนะทําไม่ดนะีตั้งใจไม่ทําอีกนะอันนี้คือปงอาบัติไม่ว่าจะเป็นพระมไม่ว่าจะเป็นพราวด์นะเราสามารถปงอาบัติได้นะปงอาบัติก็คือละความชั่วนั่นแหละเนะีนะ่ยเราทําแบบนี้แหละนะไม่ว่าจะอยู่ในพรรษานะหรืออยู่นอกพรรษานะ ไม่ว่าเราจะบวชเป็นพระหรือไม่ได้บวชนะแต่เราก็สามารถบวชที่ใจนะให้ใจเป็นพระนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนกะนะมันจะได้คุ้มค่าในการที่เราได้เกิดมานะในชาตินี้ก็ขอให้เราได้ทำดีนะจนทั้งเข้าถึงนะมรรคผลนิพพานเนาะด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิุ